ที่นี้ก็ว่าการตามความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่นะครับถ้ามีข้าวปลาพอกินมีน้ำจืดพอดื่มเรามีปัจจัยสี่พอสมควรแก่ความต้องการที่จาเป็นแล้วที่เขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานจอประทนนะครับปัจจัยขั้นพื้นฐานมีเพียงพอก็ไม่ควรจะทุกร้อนเรื่องใดๆใ ไม่ควรจะทุกร้อนเรื่องอะไรอีกถ้ามีโรคก็รักษาไปัถ้าหายก็หา ย, าหายไม่หายก็ปล่อยไปทั้งมันความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ซับซ้อนไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยคือว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ต้องเก็บ พ, พออยู่พอกิน แต่ที่นี่ที่ทาให้ยุ่งยากซับซ้อนก็คือความต้องการนอกเหนือจากขันพื้นฐานเช่นว่าต้องการความมั่งมีต้องการเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตาในสังคมต้องการอำนาจและความเป็นอยู่เหนือผู้อื่นนี่แหละครับคือความยุ่งยากซับซ้อนต้องแข่งขันแย่งชิง เน่ถ้าเราจำกัดความต้องการให้น้อยลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นเราก็จะมีเวลาเหลือสําหรับทำจิตใจให้สงบเป็นความสุขแบบง่ายๆลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากชีวิตที่แท้จริงนะครับไม่ต้องการอะไรมากที่ต้องการมาก ขึ้นนั่นก็เพราะว่าเราไปปลุกราวมันเองไปปลุกราวให้มันต้องการมากขึ้นเหมือนมาที่เจ้าของมีความต้องการรุนแรงมีความต้องการรุนแรงอยู่ข้างหน้าก็ควบมาแล้วก็ลงแทะอย่างหนักโทนเสี่ยงตะไรานาน า, นาประการผ่านพ้นไปได้บ้างกระโจนลงหน้าผาก็มี ว่าถึงความวิปัสสัาางม้าและคนขี่อันนี้ถ้าปล่อยให้ม้ามันอยู่ตามธรรมชาติม้าก็จะสงบสุขและก็อายุยืนตามธรรมดาของมันอันนี้เป็นของฝากเป็นฝากคาจับตาสุขภาพดีแอบเล็กๆน้อยๆละคันละน้อยคราวนี้ก็จะ มาถึงเรื่องกรรมเรื่องกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของของตนวันนั้นพูดค้างอยู่ในเรื่องว่าผลของกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้หรือเรื่องกรรมเป็นสิ่งไม่สายตัวมีเงื่อนไข มีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ตายตัว <c oughs> ตัวอย่างที่พอมองเห็นได้ก็คือว่าคนที่เคยเป็นนี่เคยเป็นโรคเป็นต้นนะครับเพราะความประมาทหรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตายก็มาภายหลังรู้ว่าเป็นนี่เพราะอะไรเป็นโรคเพราะอะไรแล้ว เรไม่ทำเหตุเค่นั้นอีกแต่กลับทำเหตุที่ตรงกันข้ามจนพ้นหนี้เครื่องหนี้ได้หมดแล้วก็ยังมีเงินเหลืออีกมากเจ้านี้ก็อพอใจตัวเองก็สบายใจว่าเราหมดหนี้แล้วก็ยังมีเงินเหลือสำหรับเลี้ยงชีพสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ อ, อีกมาก หรือว่าคนที่ประกอบเหตุอันเหมาะเหมาะสมจนหายโรคแล้วหรือสามารถควบคุมโรคไว้ได้เพราะความรู้ความเข้าใจและความฉลาดแล้วก็เป็นโรคทุกทีก็ทำให้ฉลาดขึ้นทุกทีนอกจากทำตนให้ปลอดภัยได้แล้ว ยังสามารถช่วยแนะนําผู้คนเพื่อป้องกันโรคเช่นนั้นได้ด้วยแล้วก็บำบัดแก้ไขสําหรับผู้ที่เป็นแล้วด้วยจะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นด้วยบำบัดแก้ไขคนที่เป็นแล้วด้วยเรื่องนี้ฉันไดนะครับ <c oughs> เรื่องกรรมที่บุคคลทำแล้วก็อย่างนั้นคือว่าสามารถป้องกันผลได้แล้วก็กรรมจัดผลแห่งกรรมชั่วเสียได้ด้วยวิธีกรรมจัดผลแห่งกรรมชั่วก็ด้วยการทำดีคือว่าด้วยกรรมดีด้วยเหตุนี้แหละครับพระพุทธเจ้าจึงจัดไว้ว่า ถ้าผลของกรรมเป็นของตายตัวแก้ไขไม่ได้แล้วการประพิทรทมจรรันคือหมายความว่าการใช้ชีวิตทางศาสนาก็ไม่มีประโยชน์โอกาสที่จะทำความดีจนสิ้นทุกข์ก็ไม่มีหรือมีไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเคยทำกรรมชั่วกันมามากแล้วทั้งนั้น แต่สาเหตุที่ผลของกรรมเป็นสิ่งไม่ตายตัวคือว่ามีเงื่อนไขมีเปัจจัยเบียงเป็นการประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าการใช้ชีวิตทางศาสนาจึงมีประโยชน์โอกาสที่จะทำความดีเพื่อการสิ้นทุกข์จึงมีขึ้นได้อันนี้เป็นพระพุทธภาสิา ท, ที่ เขียนใหม่นะครับตีความใหม่เขียนใหม่แล้วก็เขียนด้วยสำนวนใหม่ให้ฟังง่ายขึ้นแต่ถ้าเอาตามฉบับต้นฉบับแท้ๆจะฟังยากกว่านี้เยอะแต่ว่าใจความจะเท่ากันเพราะฉะนั้นก็แดงก ร, รมที่ว่าทาตีได้ตีทำชั่วได้ชั่วหรือทมเหตุตี ยอมได้รับผลดีทำเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่วนั้นก็เป็นหลักที่วางไว้กว้างๆทั่วๆไปยังไม่พูดถึงเงื่อนไขสาเหตุปัจจัยอันจะทำให้ผลกรรมเบี่ยงเป็นก้าลองนึกดูครับเวลาเตะฟุตบอลถ้าไม่มีฝ่ายตรงข้ามคอยป้องกันไว้มันจะต้องเข้าโก แล้วก็เข้าไปโดยง่ายตรงไปตรงมาเรีอกว่าเหมือนไม้ที่วางลงไปในน้ำมันก็จะลอยไปตามกระแสน้าถ้าเราวางลงไปในน้ำมันจะต้องลอยไปตามกระแสน้าแต่ถ้ามีปัจจัยให้มันลอยทวนน้ำก็ได้เช่นว่าเรืออา่า ที่มีพายหรือมีแกวหรือเครื่องยนต์หรือมีสิ่งชักจูงหรือสิ่งลากจูงสิ่งลากจูงไม้ไม้ท่อนใหญ่ใหญ่ ใ, ญใโซ่ผูกเข้าเราใช้เรือลากจูงมันก็ไปทวนกระแสน้ำได้ธรรมดามันต้องไหลไปตามน้ำมันก็ขึ้นเหนือน้ำได้ อันนี้แหละคับคือให้ความมีเหตุปัจจัยด้วยความมีเงื่อนไขว่าถ้าเราจะตั้งคําถามว่าไม้ลอยไปตามน้ําเสมอไปหรืออบอกว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอื่นมันก็ลอยไปตามน้ําแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยอื่นมันอาจจะลอยตัวน้ําก็ได้อนี่แหละครับอาจจะลอยตัวน้ําก็ได้ ในวาเสฐสูต ร, รวาเสฐสูต ร, รอันนี้พระไตรปิฎกเล่มสิบสามข้เอเจ็ดร้อยเจ็ดอ่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับมานพชื่อวาเสษฐและพารัตวาจะเถึงบุคคลต่างๆว่าเขาเป็นเช่นไรก็เพราะกรรมคือการกระทำของเขา เช่นว่าเป็นพราหมณ์เป็นชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นศิลปินเป็นโจรเป็นทหารเป็นพระราชาเป็นต้นย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาทำนั่นเองไม่ใช่เพราะกําเนิดทำให้เขาเป็นต่างๆกันตอนท้ายพระพุทธเจ้าได้จัดว่า บัณฑิตผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทสลัดในกรรมและผลของกรรมย่อมเห็นกรรมตามเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้วคือว่าคนจะเป็นชาวนาก็เพราะไถนาทำนาเป็นพ่อค้าก็เพราะค้าขายเป็นศิลปินก็เพราะว่าดำเนินชีวิตด้วยศิลปะเป็นโจรเพราะประกอบโจรกรรม อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าโลกเป็นไปตามกรรมหมูสัตว์ก็เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายปลุกพันอยู่ในกรรมเหมือนเปล่ารถยึดรถที่กำลังวิ่งไปบุคคลย่อมเป็นผู้ประเสริฐเพราะคุณธรรมคือตบะ พรหมจรรย์ตบะหมายถึงความเพียรเผาบาปตบะนั้นหมายถึงความเพียรเผาบาปแล้วก็พรหมจรรย์คือการฝึกตัวประเสริฐความสำรวมและการฝึกตนอย่างนี้แหละคือผู้ประเสริฐสูงสุดอันนี้ข้อความในวาเสตสูตรที่กล่าวถึงเรื่องกรรม เอคนอมักจะชินกับคำว่ากรรมหุน at าวัตติโลโกกรรมุนาวัตติประชาอโลกเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมกรรมมณิบันธวาสตาสัตว์ทั้งหลายผูกพันอยู่ในกรรมอคราวนี้ก็เอเรื่องผลกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากว่าผลกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวตามที่ผมได้กล่าวม า, อาสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับว่าผลกรรมเป็นสิ่งไม่ตายตัวสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ตามเหตุปัจจัยที่กระทําขึ้นภายหลังก็ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาตามพระพุทธพจน์ต่อไปนี้นะครับ ผมจะพยายามพูดช้าๆเพื่อให้ฟังชัดและทำความเข้าใจไปพระพุทธเจ้าจัดกระปุกคลพุ่หนึ่งเรียกว่าคามมณีพระพุทธเจ้าจัดว่าดูก่อนคามมณีศาสดาบางท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ที่ข่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่รักทรัพ์ประพฤติผิดในกามและพูดเท็จก็เช่นเดียวกันสา ว, วกผู้เริ่มใสศัสนาเช่นนั้นคิดว่าศาสดาของเรามีวาทะมีทิฏฐิว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดเราจึงเขาจึงมีทิฏฐิความเห็นขึ้นว่าสัตว์ที่เราฆ่าไปแล้วก็มีเราคงต้องไปอบายตกนรกเป็นแน่แท้ ยุก่อนคามณีเมื่อสาวกผู้เลื่อมใสศรัทธาเช่นนั้นไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สละความเห็นเช่นนั้นเสียก็ย่อมอยู่ในนรกถือว่าเริ่มตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วเหมือนถูกยับมาใส่ไปในเรื่องอาทินนาธานในเรื่องกาเมสุมิชัาฌานและมุสาวาทก็เช่นเดียวกัน ดูก่อนธรรม น, นีแต่เราตาถาคดผู้เป็นอาหารหันตจะสัมมาสัมพุทธเจ้าระเด็จอุบัติขึ้นในโลกเป็นผู้รู้และเป็นผู้จำแนกธรรมตีเตียนปานาทิบาตแล้วก็ตีเตียนมุสาวาตโดยเอเนกกปริยายแล้วก็จัดว่าท่านทั้งหลายจงงดเป็นปานาทิบาต เป็นต้นนะครับเสถิดดูก่อนคามณีสาวกผู้เลื่อมใสในพระศาษษษสดาเช่นนั้นย่อมสำเหนียกว่าพระผู้มีพระภาพเจ้าทรงตาหนิปนานาติบาเป็นต้นโดยอนเนกปริยายและปัดว่าท่านทั้งหลายจงเว้นปนานาติบาเป็นต้นเสถิดก็สัต์ที่เราค้าแล้วมีมากขนาดนั้น การกระทํานั้นไม่ดีไม่งามเลยก็เราจะพึงเป็นผู้เดือดร้อนใจเพราะการกระทํานั้นเป็นปัจจัยโดยแท้แล้วก็บาบกรรมนั้นชื่อว่าจากชื่อว่าเราไม่ได้ทําก็ห่ามไม่เขาพิจารณาดังนี้แล้วจึงละปานาทิบัตินี้นเสียงดเป็นปานาทิบัติคือไม่ทําอีกต่อไปดัง น, นั้นว่าเขาละบาปกรรมนั้น ล่วงพ้นบาปกรรมนั้นด้วยการทําอย่างนี้คือเพียงแต่เว้นนะครับเว้นเลิกเลิกการกระทําเช่นนั้นเสียก็ชื่อว่าละบาปกรรมนั้นล่วงพ้นบาปกรรมนั้นด้วยการกระทําอย่างนี้ในเรื่องอาทินนาทานการเมสซมิชฌาจารย์มุสาวาตก็เหมือนกันเขาเว้นเพิ่มขึ้นคือเว้นจากการพูดสอดเสียเว้นจากการพูดคำหยาพูดเพื่อเจอเว้นจากอภิชฌาโลกจากได้ของผู้อื่น เว้นจากพยาบาทและเว้นจากมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเขาผู้เป็นสาวกของพระอริยะมีมีใจปราจากอภิจาพยาบาทไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาแต่ไปในทิศ ท, ทั้งปวงตลอดโลกทั้งปวงในสัตว์ทุกหมู่เหลา่าในที่ทุกสถาน เมื่อเขาเจริญเมตตาเจโตวิมุตติอยู่อ่านี่เมตตาเจหมายถึงเมตตาจนถึงขั้นฌานนะครับเมื่อเขาเจริญเมตตาเจเจโตวิมุตติอยู่ทําให้มากอย่างนี้กรรมใดที่ทําไว้พอประมาทกรรมนั้นจกไม่เหลือจะไม่ตั้งอยู่ในเจโตวิมุตตินั้นในต้นรายการนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องสุขภาพจิตก่อนสัปดาห์แห่งสุขภาพจิต ว่ามีความสำคัญกับชีวิตของมนุษย์มากเพราะทุกครั้งที่จิตเราไม่ดีมันก็กระทบกระเทือนมาถึงร่างกายร่างกายไม่ดีก็กระทบมาถึงจิตด้วยเพราะว่ า, าบ่าวนายบ่าวคู่นี้อันสักกันมากมีความ รู้สึกกระทบกระเทือนถึงกันอตลอดเวลาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดยากที่จะแยกจากกันได้ถ้าเพื่อสุขภาพจิตที่ดีเราควรทำอย่างไรบ้างก็ลองปฏิบัติอย่างนี้นะครับ ขรอหนึ่งพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอระยาหักโหมการงานเกินไปแต่ว่ายาอยู่อย่างเกียคร้านไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายให้พอเหมาะแก่สภาพของตัวหรือว่าถ้าคนแก่ก็ออกกำลังกายตามภาษาคนแก่ เท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าออกเกินกำลังเนี่ยก็ตายไปเลยเจนที่ว่าจะรู้ยืนด้วยการออกกำลังถ้าออกเกินกำลังก็ตายไปเลยแล้วก็ข้อสองมันทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อโอกาสที่จะทำประโยชน์ได้มาถึงเข า, เารีบทำอย่าอยู่ว่าง วันก่อนนี้มีสมาชิกธรรมะร่วมสมัยผู้ฟังหรือว่าแฟนรายการก็ได้แฟนรายการธรรมะร่วมสมัยคนหนึ่งพูดออกอากาศทางวิทยุธรรมะร่วมสมัยบอกว่าเคยเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดว่าถ้าอยู่ว่างก็งมักจะคิดชั่ว เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบให้เด็กอยู่ว่างให้ทำนั่นทำนี่เรื่อยไปเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดชั่วพออยู่พอคนถ้าว่างมากเก้าเขามักจะคิดอะไรชั่วๆไม่ค่อยคิดดีเพราะฉะนั้นก็อย่าอยู่ว่างให้ทำประโยชน์การทำประโยชน์ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เขว่ามีภูมิคุ้มกันโรคสูงขึ้นอันนี้เขาก็ได้ทดลองนะจิตวิทยาบ้างหมอบ้างได้ทดลองออคนที่ทำประโยชน์หรือว่าเพียงแต่ได้เห็นคนทำประโยชน์แล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสนิยมสมชอบออสุขภาพจิตก็ดีขึ้นแล้วก็ภูมิด้านทานโรคก็ดีขึ้น อตอนที่ก็บางคนก็เจ็บไข้ไม่สบายหรือไม่ค่อยสบายเลยพอถึงเวลาจะทำประโยชน์ก็ทำได้แต่พอทำเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยสบายต่อไปอย่างนี้ก็มีประการที่สามนะครับทำสิ่งที่เหมาะสมแก่ตนไม่าอาจแทเยอแทยานในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยสามารถของตน ต้องรู้จักตัวเองให้ดีว่าเราเป็นอย่างไรอย่าเผลอตามคนอื่นจงเป็นตัวของตัวเองจงเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครในโลกไม่มีใครในโลกที่เหมือนเราแต่ก็เราก็ไม่เหมือนใครถ้าสามารถทาใจให้อยู่เหนือโลกกระทำได้เรื่รงาบเสื่อมราบยศเสื่อมยศ สันเสวนนินทาสุขทุกเนี่ยครับท่านจะได้พบกับความสุขที่ประนีตสุขุมซึ่งจะบรรลุได้ก็ด้วยปัญญาอันสุขุมถ้าถ้าทาใจให้อยู่เหนือโลกกระทำได้ก็จะได้ความสุขที่ประนีตก็ต้องพยายาม รู้รู้แล้วว่ามันดีอย่างไรก็ต้องพยายามประการที่สี่นะครับอย่าอยู่อย่างอาขอให้ขอให้มีความประการที่สี่ขอให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างเรียบง่ายแต่มีการกระทําที่สูงสง ก็จะนําความสนบสุขมาให้ตนและก็เป็นประโยชน์แก่สังคมให้ได้ให้ได้ลักษณะที่เขาเรียกว่าเพลงลิฟวิ่งนายดูอิงเพลงลิฟวิ่งนายดูอิงอยู่อย่างอยู่อย่างต่าอยู่อย่างเพลนอยู่อย่างธรรมดาสามัญแต่มีการกระทาอย่างสูงแล้วก็ตัดสิ่งภุ่มเฟ้ย แล้วก็กิจกรรมที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตให้หมดตัดสิ่งฟุ้งเฟือและกิจกรรมที่ไม่จำเป็นจากชีวิตออกไปให้หมดไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เราก็อยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างสบายๆประการที่ห้านะครับเพื่อสุขภาพจิตที่ดีมองเหตุการณ์ในแง่ดี มองเหตุการณ์ในแง่ดีไว้ไวบ้างตามสมคว ร, รว่ามองได้มากก็ดีแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีก็มองตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีดีกว่ามองในแง่ ร, ร้ายเราพยายามมองเหตุการณ์ในแง่ดีแม้จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะร้ายในสายตาธรรมดาของเราหรือของคนอื่น ตัอย่างเช่นว่าถ้าเผื่อท่านทางญยาแถวโดนมีดบาดถ้าคิดในแง่ร้ายมันก็ถือว่าเป็นโชคร้ายแต่ถ้าคิดในแง่ดีเราก็อาจจะคิดได้ว่าถ้ามีดไม่บาดแล้วก็ไม่เลือกทางญยาเสียก่อนทางเลื่อยไปอาจจะไปเจองูเหา่าเราถูกงูเห่ากัดตายก็ได้ เพราะนั้นที่มีดบาทนี่ก็เป็นโชคดีแล้วอ น, นี่คิดหัดคิดอย่างนี้ว่าถ้าถ้ามีดไม่บาทไม่เลิกถังยาเสียก่อนอาจจะถังต่อไปแล้วไปเจองูเข่าเข้าโดยที่เราไม่เห็นมันมันนาจะกับตายก็ได้เราจะได้สบายใจสบายใจในการที่ถูกมีดบาด อันนี้ก็เป็นอข้อความเล็กๆน้อยๆ น, นะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเพื่อจะให้สุขภาพจิตเราอยู่ในสภาพที่ดีที่ดีแล้วก็มันก็เป็นผลดีแก่ตัวเองแก่คนใกล้ชิดแก่เพื่อนฝูงแก่ใครต่อใครเยอะแยะคนที่สุขภาพจิตดีนี่มันมีมีกําไร ใกล้ๆก็อยากเข้าใกล้อยากก่อภาสมาธบพอเข้าใกล้แล้วมันสงบมันยอดเย็นมีความสุขาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ก็มาต่อเรื่องกรรมเรื่องกรรมที่ต้างเอาไวเา้เมื่อวันเมื่อวันก่อนวันศุกร์ นับก็พูดถึง เ, เรื่องกรรมที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ เ, เมื่อถ้าบุคคลผู้นั้นจเจริญเมตตาเจโตวิมุตตเพราะเมตตาในระดับฌานนะครับเมตตาจนถึงได้ฌานเจโตวิมุตต์นี่หมายถึงความหลุดพ้นทางใจซึ่งท่านหมายถึงอัปปนาสมาธิหรือได้ฌาน ทำให้มากอย่างนี้กรรมใดที่ทำไว้พอประมาณกรรมนั้นจะไม่เหลือเพราะไม่ตั้งอยู่ในเจโตวิมุตตไม่ตั้งอยู่ในเจโตวิมุตตอันนี้เป็นข้อความจากพระจ้าพิดกสังยุตนิกายสลายัตนาวัฏพระเจ้าพิโกเล่มสิบแปดนะครับเล่มสิบแปดข้อหกร้อยสิบสามหกร้อยสิบเก้า ก็ยาวอันนี้ตัดมาตัดมาสั้นๆพอได้ใจความนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ในคยขมณีผู้เป็นสาวกของนิครุก็ได้ทูลสรนเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือ ร, รัตนนัตใจตลอดชีวิตตามพระพุทธพจน์ที่นำมานี้นะครับท่านจะเห็นว่า บาปกรรมที่ทําแล้วสามารถละได้ร่วงพ้นเสียได้โดยการเว้นบาปคือเว้นเว้นบาปกรรมเช่นนั้นเสียก็ถือว่าเป็นการละได้ร่วงพ้นไปได้แล้วก็ทํากรรมดีใหม่เหมือนคนที่เคยเป็นแผลนะครับคนที่เคยเป็นแผลก็เจ็บปวดทรมาน เจาแผลนั้นสักเถ่าก็ตามแต่ว่าเมื่อเขารักษาแผลรักษาแผลอย่างดีแผลจะค่อยๆหายแล้วความเจ็บปวดก็จะค่อยๆบรรเทาลงในเมื่อแผลหายสนิทดีแล้วความเจ็บปวดก็าหายไปด้วยเขาเพียงแต่ได้ชื่อว่าเคยเป็นคนเป็นแผลเท่านั้นก็เคยเป็นแผล แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรแล้วเกลีอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนคนที่ลงไปในหลุมโครนเนื้อตัวเปลืปล้อนไปได้วยโครนอันนี้ต่อมาเขารู้ว่าไม่ควรอยู่ในหลุมโครนนะั้น